สวัสดีครับเพื่อนสาธ ม, มิกที่กำลังศึกษามมกนับคําชั้นเอทกทุกๆ ท, ท่านวันนี้เราก็มาเรียนวิชาพระวินัยต่อจากครั้งที่แล้วซึ่งวันนี้เราก็ขึ้นนะกันที่สามสิบกันที่สามสิบนี่ก็ว่าด้วยวิธีนะครัอบอาปัตาที่ก่อนอมบัตอันภิกษุต้องแล้วเนี่ยจำต้องทำคืน คือต้องเรื่องเสียก็จัดเป็นอธิกรณ์อย่างหนึ่งรวมเรียกว่าอาบัตตาธิกรณ์หรืออาบัตทั้งสิ้นที่พิสูจน์ต้องก็ชื่อว่าอาบัตตาธิกรณ์อาบัตตาธิกรณ์ที่เกิดขึ้นย่อมระงรับได้ในสานักสองอย่างคือหนึ่งย่อมระ ง, รงรับในสานักบุคคลละหุกาบัตทั้งปวงย่อมระงรับในสานักบุคคล คือผู้ต้องนั้นจะต้องแสดงแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็ได้อาบัตินั้นก็เป็นอันว่าระงับไปอาปตานทกรที่ระงับในสํานักบุคคลนั้นก็ะระงับด้วยสมถะสองคือระงับด้วยสมำขาวิายัยและก็ระงับด้วยปฏิญญาตักกรณะที่ว่าละหุตาบัตทั้งพวกนั้นก็หมายถึง อ, อ, อาบัติเบา ตั้งแต่อบวบถลัดใจลงไปจนถึงอบวบทุพพาสิบนั่นได้ชื่อว่าละหูกาบาดคืออบวบเบาเมื่อพิสุต้องอบวบที่เป็นละหูกาบาดนั้นก็ชื่อว่ามีอธิกรณ์เกิดขึ้นแก่พิกสุตันเมื่อมีอธิกรณ์เกิดขึ้นก็จําเป็นจะต้องระงับด้วยวิธีการตามพระวินยัยก็คือการแสดงต่อหน้าสงฆ์หน้าคณะหรือ ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็พ้นจากอาัตตนนั้นได้เว้นไว้แต่และหกุกอาวัติบางอย่างที่จะต้องอแสดงต่อหน้าสงฆ์หน้าภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็แสดงลาบากเช่นอาบัติที่เกี่ยวกับอาบัติที่ต้องอพร้อมๆกันกับภิกษุจำนวนมากก็ต้องรับด้วยติ น, นะวัฏารกาวิธีนั้นก็คือรับด้วยสานยสานักสงแลวก็ อ, อ, อาบัตอีกประเภทหนึ่งนะที่จะต้องระ ง, งับด้วยการ อ, อ, อยู่กับปุชุุทธานวิธีซึ่งเราจะได้เรียนเป็นลำดับลาดับไปออสมุขวินยัยในการระ ง, งับหุกาบัตนี้ท่านบอกว่าพร้อมด้วยองค์สามคือหนึ่งธรรมะสมุขตาสองวินยัยยะสมุขตาสามบุคคละสมุขตา เ อ, อแล้วก็สองระงับในสำนักสงฆ์อภรรติกกรที่ระ ง, งับในสำนักอาสง์ก็แบ่งออกเป็นสองอย่างคือครุกาบัตรที่จะต้องออกด้วยวุฒิฐานวิธีหนึ่งและก็ลหุการบัติที่ต้องแสดงด้วยตินนวัฒนากะวิธีหนึ่งเอาวิธีระ ง, งับครุกาบัตรที่เป็นสเตกิจฉาอภิกษุ ต้องครุกาบัตที่เป็นสเตกิจฉาแล้วจะออกจากอาบัตนั้นต้องประพฤติวัดซึ่งเรียกว่าวุฒธธานวิธีแปลว่าระเบียบเป็นเครื่องออกจากอาบัตสังฆาติเศษอาวุฒานวิธีมีทั้งหมดสี่อย่างด้วยกันก็คือหนึ่งวาทคืออยู่ใช้หมายความว่าพิสุต้องอาบัตสังฆาติเศษแล้ว ปกปิดไว้สิ้นวันเท่าไรต้องอยู่ปริวาสรับใช้วันที่ปกปิดสิ้นวันเท่านั้นเสียก่อนแล้วจึงจะอยู่มานัตต่อไปอีกหกราตรีสองมานัตคือนับราตรีหมายความว่าพิสุต้ตองอบัตสังคาทิเศษแล้วไม่ได้ปิดไว้ต้องประพฤติวัดชื่อมานัตหกราตรีหรือปกปิดครั้นประพฤติปริวาสครบกาหนดแล้ว ต้องประพฤติวัดชื่อมานักกตาตีเหมือนกันสามอภานคือเรียกเข้าหมูหมายความว่าอาภิสุต้องอบัตตังกาติเศตแล้วก็ได้อยู่เพราะว่าปริวาสอยู่มานัดแล้วเมื่ออยู่ปริวาสอยู่มานักครบตามกำหนดแล้วสงส่วนอภานอร ะ, ะงับอบัตตังกาติเศตนั้นเรียกว่า ลนะเรียกเข้าหมู่พิสุนที่เป็นปกตัตาตามเดิมและสีปฏิการนาก็คือกิริย า, าชักเข้าหาอาัปบาทเดิมหมายความว่าในระหว่างประพฤติอุท ธ, ธานวิธีอยู่นั้นแต่จะเป็นตอนอยู่ปริวาหรือตอนประพฤติมานัดอยู่ก็าตามหรือสองอย่างไม่อภานเพียงใดต้องอันตราบัตคืออบัติาทสังกาติเสษเข้าอีก จะประพฤติต่อไปไม่ได้จะต้องตั้งต้นประพฤติปริวาทหรือมานัตใหม่เรียกว่าโมลยยปฏิกัศนาแปลว่ากิริยาที่ชัดกระหายบัตเดิมแต่ทีนี้จ้วารรจนวนสงผู้ทํากรรมจ้าวนสผู้ทํากรรมเกี่ยวกับการประพฤติฐานในวิธีนั้นท่านแสดงว่าอย่างนี้หนึ่งสงจตวะวรรษสี่รูปให้ปริวาทให้มานัตและให้ปฏิกัสนาได้ ไม่นับภิกษุกรมมรมราหะคือภิกษุผู้ถูกกรรมตำตำกรรมด้วยสองสองวีสติวะยี่สิบรูปให้อภานไม่นับภิกษุที่ถูกสงฆ์ทำกรรมด้วยเช่นกั น, นอาวุธฐานวิธีสำหรับครูกรรบัตรที่ที่ไม่ได้ปกปิดแต่คือภิกษุผู้ต้องอาบัดทังกาฏิเศษนั้นฟึ่งห่มผ้าจเจวียงบาเข้าไปหาอา เข้าไปหาที่ประชุมในเขตสีมาก็มายเขา้เขาไปหาสงที่ประชุมอยู่ในเขตสีมากราบภิกษุผู้แก่ปัญสากว่าแล้วนั่งกระโยงประนมมือกล่าวคำขอมานัดโดยสมควรแก่อาบัติที่ต้องในลาดับนั้นภิกษุผู้ฉลาดผู้สามารถก็พึงส่วนประกาศสงเพื่อให้มานัดแก่ภิกษุนั้นด้วยยติจตุตกรรมาวายจาเมื่อจบอนุสาวรนาที่สามแล้วมนัด เป็นอันส่งให้แล้วภิกษูตนั้นได้ชื่อว่ามานัตตจาริโกแปลว่าผู้ประพฤติมานัตพ้นจากความเป็นปากกาต่ตางแต่มติของสมเด็จพ้องหาสำนักเจ้าท่านทรงเห็นว่าน่าจะเป็นมานัตตจารีมากกว่าในลำดับแห่งสองสวดให้มานัตจบแล้วมานัตตจาริกะก็พึงบอกประกาศสง ถึงการที่ตนประพฤติมานัดอยู่นั้นแล้วเก็บมานัดในสำนักสงฆ์หรือภิกษุรูปหนึ่งก็ได้ถ้าจะไม่ประพฤติในที่นั้นแต่ที่ใช้กันมาโดยอัตกถานในสมาทานขึ้นมานัดต่อหน้าสงฆ์ก่อนแล้วจึงบอกเมื่อบอกแล้วก็เก็บในสำนักสงฆ์นั้ น, นการประพฤติมานัดนั้นแหละมานัดตจาริกาภิกษุต้องประพฤติวัด สำหรับมานัดนั้นต่อไปในให้ครบหกราตรีจะประพฤติรวดเดียวให้ครบหกราตรีเลยก็ได้หรื อ, อไม่ต้องทําโดยรวดเดียวเมื่อมีเหตุสมควรจะพักในระหว่างก็ได้เรียกกันว่าเก็บวัดอาเมื่อจะประพฤติวัดสําหรับมานัดต่อจึงสมาทานขึ้นมานัดใหม่ในระหว่างเก็บวัดได้อาจะนับราตรีนั้นไม่ได้อ่าเรื่อง เกี่ยวกับการประพฤติวุฒานวิธีซึ่งได้กล่าวมานันนี้เป็นการกล่าวตามในพระบาลีที่ท่านกล่าวไว้แต่ว่าถ้าจะพูดให้ละเอียดเกี่ยวกับการประพฤติวุฒานวิธีตามในอันตถกถาด้วยก็จะต้องใช้เวลาพอสมควรเช่นการศึกษาเกี่ยวกับพระวินยัยในด้านการประพฤติวุฒานวิธี หลักสูตรนังทำเช้นเอกนี้ก็จะกล่าวโดยตามสมควรนะเกิดการสมควรเอาวิธีวิธีเก็บวัดและก็เก็บมานัทนั้นทำอย่างไรท่านกล่าวว่ามานัทระจาริกาภิกษุทําผ้าหม่มเฉวียงบาข้างหนึ่งแล้วเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่งหรือส่งก็ได้นั่งกระยงกนลมือกล่าวคำเก็บวัดและเก็บมานัท คำเก็บวัดและเก็บมานัตตามในบาลีกล่าวว่ามานัตตังนิกิปามิแปลว่าข้าพเจ้าเก็บมานัตหรือว่าวัดตังนิกิปามิแปลว่าข้าพเจ้าเก็บวัดกล่าวคำใดคำหนึ่งท่านว่าเป็นอันพักมานัตแล้วแต่คำในอัตถกถาคือคำเก็บวัดและมานัตตามในอัตถกถานั้นท่านก็ให้ว่ารวบเดียวเลย คือเป็นแบบที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันที่เอนิยมใช้กันอยู่ตอนที่ประพุทธมุตฐานวีทีอยู่ปฏิวัตนกรรมนั้นใช้ตามในอัตถกถาเนียกล่าวคําเก็บวัดก่อนแล้วจึงเก็บมานัดควบกันไปเลยทีเดียวกล่าวว่าวัดตังนี้ขีปนาวิมานัดตังนี้ขีปนาวิว่าสามหนแปล ว, ว่าข้าพเจ้าเก็บวัดข้าพเจ้าเก็บมานัด เนี่ยที่ใช้อยู่ตามใ้อัตถกถาเอาเมื่อนับเกบวัดแล้วจะนับตาตีไม่ได้ในขณะที่เก็บวัดก็จะต้องขึ้นวัดหรือสมาทานขึ้นวัดเมื่อไปถึงสถานที่ที่จะอยู่พระพุทธพุทานุวิธีก็กล่าวาาคำสมาทานคำสมาทานมานัตและวัดตามในบาลีท่านกล่าวว่า มานัดตังสมาธิยามิแปล ว, ว่าข้าพเจ้าขึ้นมานัดหรือว่าวัดตังสมาธิยามิแปล ว, ว่าข้าพเจ้าขึ้นวัดกล่าวคําใดคําหนึ่งท่านว่าเป็นอันสมาทานขึ้นวัดแล้วอคําสมาทานมานัดและวัดตามในอัตถกถาเป็นแบบที่ใช้กันอยู่ก็ว่าทั้งสองควบกันไปเลยว่าสมาทานขึ้นวัดก่อนแล้วก็สมาทานส่าสมาทานอ่ สมาทานมานัดก่อนแล้วก็สมาทานวัดนะคำสมาทานว่าดังนี้มานัตตังสมาธยยมิวัดตังสมาธยยมิว่าสามผลก็แปลว่าข้าพเจ้าขึ้นมานัตข้าพเจ้าขึ้นวัดอาว่าที่จะอยู่ประพฤติมานัตนั้นที่จริงเป็นเรื่องสาคัญเหมือนกันก็ควรเลือกให้เหมาะแก่กิจที่สาคัญก็คือการบอกวัด ถ้าประพฤติในอาวาสหรือถิ่นที่ไม่ใช่อาวาสที่มีพิสุมามากก็ดีมีพิสุมาบ่อยๆก็ดีญากที่จะบอกวัดให้ท่วนอาจึงควรเลือกประพฤติในอาวาสหรือถิ่นที่ไม่ใช่อาวาสที่มีพิสุอยู่น้อยแต่ครบจํานวนสง่งและก็ห่างจากการไปมาของพิสุอื่นมีพิสุมาก็พอรู้ได้มีกุติอยู่ลําพังเพียงผู้เดียว อถ้ามานัตจะได้เก็บพิสุเก็บวัดเนี่ยเก็บวัดแล้วเพื่อจะไปประพฤติวัดในสถานที่คืออาวาตอื่นหรือถิ่นที่ไม่ใช่อาวัตที่เหมาะสมดังกล่าวแล้วเมื่อไปถึงที่นั้นแล้วจะปฏิบัติอย่างไรท่านบอกว่าเมื่อไปถึงที่นั้นแล้วก็พึ้นสมาทานขึ้นมานัตและก็บอกมานัตถึงการที่ตอนประพฤติอยู่แก่พิสุหรือสงฆ์ที่อยู่ในสถานที่นั้น การประพฤตมานัน้นต้องประพฤตให้ครบหกปฏิจะอยู่เผื่อให้เกินกว่านั้นเพื่อทดแทนวันที่ฟ้องไปโดยไม่รู้ตัวก็ได้ตามในอนักถาท่านให้ประพฤตเกินเอาให้ดีนั่นะดีกว่าก็เพราะว่าถ้าเกิดอยู่ในสถานที่บางสถานที่วัดบางวัดนี่ใกล้ถนนหนทางแล้วก็เป็นที่สัญจรไปมาของพิสูจน์อื่น เกิดเวลาค่ำคืนมีพิสุอื่นมาแต่ไม่มีใครรู้แล้วก็ท่านก็ออกไปอย่างนี้ท่านบอกว่าเ ป, เป็นเหตุทำให้เสียวัดเหมือนกันคือเกิดปติเชตนับราตรีไม่ได้ในคืนนั้นในวันนั้นนั้นก็การอยู่ประพุทธวัฏฐานวิถีนั้นจึงควรเลือกหาวัดที่เหมาะสมในการที่จะบอกวัดรักษาวัดไม่ให้เกิดปฏิเชต ในขณะที่กําลังประพฤติอยู่นั้ น, นต่อไปรัติเฉตรัติเฉตคือเหตุขาดราตรีนับราตรีไม่ได้ของมานัตท่านกล่าวไว้สี่อย่างคือลุงสหวสูรอยู่ร่วมคืออยูอ่ร่วมชายคาที่มู่อันเดียวกันกับปกกาตาภิกษุสองวิปวสโรอยู่ปราศก็คืออยู่ปราศจากสง หมายความว่าอยู่ในอาวาตหรือถิ่นที่ไม่อาวาตที่ไม่มีสงฆ์อยู่เป็นเพื่อนสามนาโรชนาไม่บอกคือไม่บอกการที่ตนประพฤติมานะทุกวันและก็ไม่บอกแก่ปัทจุิสูจผู้ยังไม่ได้บอกในวันนั้นสี่อุเนฆเนาจารังประพฤติในคณะอันพร่องก็คือประพฤติอยู่ในอาวาตหรือถิ่นที่ไม่อาวาต ที่มีปักตาพิสุไม่ครบจานวนสงหรือย่อนกว่าสี่รูปนั่นเองอข้อวิปวสโสสกับข้ออุเนจาอุเนคณนจารนังนั้นมหาสมณาเจ้าท่านทรงเห็นว่าเป็นข้ออันเดียวกันฉังนั้นปฏิเฉดคือเหตุให้ขาดบตรีของมัฑนีมีอยู่สี่อย่างซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งสำคัญข้อสำคัญเกี่ยวกับการประกาศพุท ธ, ธานุวิธีถ้าหากว่า เกิดรัติเฉตขาดราตรีแล้วการประพฤติอุทานวิทีนั้นไม่สำเร็จประโยชน์นั่นก็นักศึกษ า, าทั้งหลายก็พึงให้เข้าใจศึกษาให้เข้าใจในเรื่องอรัติเฉดนี้ให้ดีมากขึ้นเนี่ยคือจ้าสหาวายโสอยู่ร่วมนั้นอยู่ร่วมแค่ไหนอยู่ร่วมชายคาคืออยู่ร่วมในที่มวอเดียวกันกับวิสุท ป, ปกตินั้นแค่ไหนถ้าจะ หาดูในนักธรรมชั้นเอกก็ดีอหรือในพระไตรปิฎกนั้นท่านพูดไว้เป็นกลางๆท่านพูดว่าอยู่ร่วมในพระไตรปิกบอกว่าอยู่ร่วมเฉยๆไม่ได้บอกว่ายุ่งกัอยู่ร่วมกับใครอส่วนในนักธรรมชั้นเอกคือหลักสูตรของนักธรรมชั้นเอกอวินัยมุกเล่มสาม น, 3, นี่ก็พูดดีว่าอยู่ร่วมในที่มุนเดียวกันกันกบวิสุปกติเท่านั้นเองกับปางตามวิสุ์เท่านั้นเอง แต่ถ้าจะไปดูให้ละเอียดในหนังสือเอจตุธาสมันตกระสาติกาซึ่งเป็นอัตตกถาพระวินัยนั้นท่านจะแสดงถึงการอยู่ในที่มุ่งนั้นท่านหมายถึงการอยู่ในอิริยาบทนอนคืออิริยาบถนอนเนี่ยจะนอนร่วมกันไม่ได้เลยเอซึ่งก็เป็นเรื่องของความละเอียดในเรื่องนั้นถ้าอยู่ในลักษณะเช่นนั้นอา่าไม่ได้ นะก็ว่ากันโดยยอ่อๆเพราะว่าถ้าจะพูดโดยละเอียดแล้วก็จะทําให้ยืดยาดหรื อ, เ, อ, อเนิ่นานานไปดังก็ผมก็จะไม่ได้พูดให้ละเอียดมากแต่ว่าให้เข้าใจว่าในอันตถกถ า, านั้นท่านมุ่งหมายเอาการอยู่ในอิริยาบทนอนเนี่ยจัดเป็นปฏิเชตแต่ในนักสรรมชั้นเอกหรือในประไตรปิกนั้นบอกเลยว่าอยู่ร่วมเท่านั้นเองนะอยู่ร่วมกับปัตตาภิสุเท่านั้นเอง ข้อสองที่ว่าวิปวันโสดอยู่ปราศก็คืออยู่ปราศจากสงฆ์คาว่าอยู่ปราศจากสงฆ์สงในที่นี้ก็หมายถึงสีรูปขึ้นไปอยู่ในถิ่นที่เป็นอาวาสหรือไม่ใช่อาวาสมีภิกษุไม่ถึงสีรูปนั่นก็คืออยู่ปราศจากสงฆ์แล้วไม่มีสงฆ์เป็นเพื่อนก็เป็นเหตุให้เกิดรัติเฉษส่วนข้ออนารจนาไม่บอกเอคําว่าไม่บอกคือไม่บอกในการที่ตนประพฤติอยู่นั้น ตอนกําลังประพฤติมานัดนี่จะ ต, ต้องบอกแก่พิกษุต้องบอกแก่ส่องให้ทราบว่าตอนกําลังประพฤติอะไรและมานัดต้องบอกทุกวันด้วยวันนี้บอกตรงนี้ก็ต้องบอกไม่บอกเป็นปฏิเสธหรือพิสูุอาการตกกะมา ก, ก็ต้องบอกหรือพิสูจนที่ยังไม่ได้รับบอกก็ต้องบอกข้อนี้ซึ่งอธิบายในอธิการฐาละเอียดมากแม้พิสูจน์ที่ไม่ได้เข้ามาในเขต ที่อยู่ประพฤติวุฒิฐานนวิธีเพียงแต่อยู่ที่อื่นแต่ว่ามานัตตาจาริกาภิกษุคือภิกษุผู้ประพฤติมนัตแลเห็นเข้ามองเห็นเข้าว่าเป็นภิกษุก็จะต้องตามไปบอกวัดเนี่ยจะต้องตามไปบอกวัดถ้าไม่ตามไปบอกวัดเป็นรติเฉดคือขาดรตรีนี่ยและก็ท่านได้กล่าวว่าไม่จะเห็นไกลจนมองเห็นเข้าใจว่า เป็นพิสูจนแน่ๆซึ่งว่ามองเห็นไกลที่สุดนั้นก็ต้องต่างไปหอดถ้าไม่บอกก็เป็นปฏิเชตหรือไม่เห็นแต่ว่ามานะอ า, ารรอาคันตุกาภิสูจอาคันตุกะนั้นเข้ามาในเขตโดยไม่มีใครรู้และไม่มีใครเห็นเลยแล้วท่านก็ออกไปอย่างนี้ไม่ได้บอกวัดก็เป็นปฏิเชตเหมือนกันพิจารณาแล้วก็ไม่น่าจะเป็นปฏิเชตเพราะว่าไม่มีเจตนาที่จะไม่บอกแต่พระอาจารย์ท่านบอกว่า เอ่ออาบัตบางอย่างนั้นเป็นสจิตกะบางอย่างก็เป็นอาจิตตกะก็หมายความว่าอาบัตบางอย่างนั้นจะเจตนาทําลงไปก็ปลาอาบัติบางอย่างไม่เจตนาก็ปราอาบัติคือเป็นอาจิตตกะก็มีฉะนั้นในข้อนี้เป็นอาจิตตกะแม้จะไม่เจตนาไม่บอกท่านให้อยู่ด้วยความระมัดระวังใครมาต้องรู้และต้องบอกนั่นแหละอาจารย์ท่านจึงเพิ่มให้อยู่เพิ่มเกินหกราตรีไปแต่ให้นับหกราตรีนี่ เรื่องของการบอกวัดก็เป็นสิ่งสําคัญที่ได้กล่าวแล้วว่าจะต้องหาสถานที่ให้เหมาะสมในการประพฤติอุทธานุวิธีนั้นอ่สนข้อสี่ที่อุเนคเนจรณังนั้นประพฤติในคณะอันครองซึ่งข้อนี้ก็สมเด็จพระมหาสมมติเจ้าท่านก็บอกว่าเห็นเป็นข้อเดียวกันกับข้อวิปวาสโสก็คือประพฤติในคณะอันครองก็คือในสถานที่มีพิสุไม่ครบสงบนั่นเองอันนี้ก็เป็นเรื่องรปติเชต์เนี่ยมานตตาจริกาพิสุ ทเหรือขาดสี่ประการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งนะ เ, เรียกว่านับราตรีแห่งวันนั้นไม่ได้เลยจะต้องอยู่เช่นวันนับวันนี้ไม่ได้พรุ่ง น, นี้ก็ต้องรักษาใหม่ให้ได้นะ เ, เรียกว่าเมื่ออยู่เพียงห้าอ้าหกราตรีแต่ว่าเกิดราตรีที่หนึ่งไอาราตรีหนึ่งในหกในขาดก็จะเหลือห้าราตรีจะต้องอยู่ให้ครบหกราตรี นั่นก็จะต้องประพฤติให้ครบอย่าให้ย่อนกว่าแต่ต้าเกินเอาไว้เป็นรายดังที่เด็กกล่าวแล้วทีนี้ข้อห้ามของมานิตาจาริกะภิกษุมีพุทธบัญญัติห้ามมานิตาจาริกาภิกษุไม่ให้ยินดีหรือเต็มใจรับกิจของปักกันตาภิกษุทําให้ท่านแสดงไว้สิบเอ็ดอย่างด้วยกันคือหนึ่งอภิวาทนังการอภิวาทสองปัจจุดฐานหนังการลุกรับสามอัญชลีกรรมมัง การทำอัญเชลีสี่สามีจิกกรรมการทำสามีจิกกรรมห้าอาสนะพิหารังการนำอาสนะมาให้หกสยยาพิหารังการนำที่นอนมาให้เจ็ดปัทโทตะกังการล้างเทา้าแปดปาทะติถังการตั้งรองเทา้าเก้าปาทะธลิกัง การตั้งกระเบื้องเช็ดเท้า10ปัจตะจีรหหนังการรับบาทจีวรและ11หนาหาเนปิธิ ป, ปริกรรมการถูหลังให้ในเวลาอาบน้ำมานัสตจาริกาภิสุละเมิดในข้อเหล่านี้ท่านประป็นอบัติทุกกฎแต่อนุญาตให้มานัะตจาริกาภิสุทากิจเหล่านั้นแก กันและกันเป็นคู่ตามระดับพรรษาและก็ทรงอนุญาตให้มานัตะจาริกาภิสุทํำกิจห่าอย่างก็คือหนึ่ง อ, อ, อ, อุโบสถและอุโบสถหรืออุโปสถโสโธการทำํำโบสถในการทําปริสุทธิอุโบสถมนานตะจาริกาภิสุจะบอกปริสุทธิตามระดับพรรษาได้สองราวนาการภารณาในการทำภาวรณาจะอาวณาอย่างนั้นได้เหมือนกัน สามวัชิกะสาธิโกการรับผ้าวัชิกะสาธิกาคือจะรับแจ่ผ้าวัชิกะสาธิกาตามวาระอันถึงแก่ตนโดยภรษาก็ควรอยู่ 4. ีโอโอนโฉนังการสละพัดมรณาเจตาที่กาพิสุที่มีหวังพัดตาหารในวันนั้นอยู่แล้ววาระแห่งอุเทสพัดเป็นต้นมาถึง ถ้าจะขอให้ถึงแก่พิสุในลำดับรองลองไปก่อนส่วนตนจะถือเอาในวันพรุ่งนี้ก็ได้ถ้าพัดตังการรับพัดจะรับแจกพัดอาหารตามลำดับพรรษาได้อยู่แ่อันนี้ก็เป็นเป็นข้อห้ามในในเรื่องของการปบ ร, ระพุทธบางอย่างที่พระพุทธองค์ท่านทรงห้ามไม่ให้ยินดีในเมื่อมีพิสุ ป, ปกติทำให้ นะสิบเอ็ดอย่างแต่ว่าให้ทําได้ในในห้าอย่างตอนหลังแก่พิสูุ์ผู้ประพฤติวุฒิฐานนวิธีด้วยการตามระดับพรรษาอันนั้นก็พึงทราบทีนี้วัดสําหรับมานัตตจาริกาพิสูจ์ที่จะต้องปฏิบัติวัดสําหรับมานัตตจาริกาพิสูจน์ที่จะต้องปฏิบัตินี้ท่านกล่าวไว้สิบหมวดในอันจฉริยะเนีคือเรียกกันว่ามานัตตจาริกวัด มานัตตเจกวัดคือวัดอันพิสูผู้อยู่มานัตพึ่งประพฤติโดยชอบทรงบัญญัติไว้อีกส่วนหนึ่งในอธิการเดียวกันโดยฐานเป็นกิจสมควรประพฤติไม่ได้ปรับอวบัตทุกกฎไว้โดยตรงแต่ว่าพระอัฏฐกถาจารย์ท่านก็ปรับเป็นอวัตทุกกแก่พิสูผู้ละเมิดโดยฐานละเลยวัดเรียกกันว่าวัดตเภทแปลว่าวัดแตก ทํานองเดียวกันกันกบอภิสมาจาราวัตแห่งปัจจะกภิกษุ ก, ษก็จัดเป็นหมวดหมวดได้สิบหมวดนนในอัตถกาถามาัฑะจาริกรวัตนี้ในในบาลีคือในสไตัวิโดกนั้นท่านจัดไว้เป็นแปดหมวดเนี่ยแต่ในอัตถกถ า, าท่านมาจัดเป็นสิบหมวดมีทั้งหมดเก้าสิบสี่ข้อด้วยกันสิบหมวดนั้นก็แต่ละหมวดก็มีดังนี้หมวดที่หนึ่งไม่พึงให้อุปสมบท ไม่พึงให้นิสัยไม่พึ ง, พ, พ, ง, มมงพีไม่พึงมือสมมาเรนไว้อุปถาไม่พึงรับสมมุติสอนหนังภิกษุณีแม้ได้รับสมมุติไวแล้วก็ไม่พึงสอนหนังภิกษุณีนี่ข้อที่หนึ่งหมายความว่ายังไงหมายเขาว่าในขณะที่ประพุทธมุทฐานลุหิธีจะเป็นอยู่ปริวาทกติหรือจะเป็นตอนออประพุทธมานัตก็ดีจะทาหน้าที่ เกี่ยวกับการให้การอุปสมบทไม่ได้ถ้าเป็นอุปชยัยยะนี่หมายว่าได้เป็นอุปชยัยยะจะมานั่งเป็นอุปชายยะในการให้การอุปสมบทแก่กุลบุตรนั้นไม่ได้ท่านห้ามให้พักหน้าที่อันนี้เอาไว้เนี่ยจะมาทำการอุปสมบทนั้นไม่ได้แต่ว่าในเอกสาท่านอธิบายขอนย่อนลงมาว่าถ้าเกิดในสถานที่ซึ่ง ไม่มีอุปชา ย, ยะแต่หาอุปชัยยะในการที่จะอุปสมบทนั้นยากแต่ว่ามีกุลบุตรเกิดสัทธาเรื่อมใสในการที่จะอุปสมบทหาอุปชาไม่ได้เลยเพราะอุปชายอยู่ปริวาติอย่างนี้ท่านบอกว่าจะทําการเก็บวัดแล้วให้การอุปสมบทก็ควรอยู่นี่คือในอัตตกขาว่าต่อมาเขาบอกว่าไม่พึงให้นิสัยอไม่พึงให้นิสัย ก็หมายความว่ า, วานิสัยนี่แปลว่ากิริยาที่พึ่งพิงผู้ที่จะพึ่งพิงเราเรียกว่าสัตว์ทีหาริกหรืออันเตวสิกนั้นผู้ที่จะให้นิสัยได้ก็จะต้องมีพรรษาพ้นสิบแม้แต่ให้อุสมบทก็มีพรรษาพ้นสิบให้นิสัยก็มีพรรษาพ้นสิบนะมีพรรษาพ้นสิบแล้วในขณะที่อยู่ปริวาสหรือประพฤติวุฒานุวิธีนั้นจะให้นิสัยแก่สัตว์ที่หาเริกอันเตวสิกไม่ได้เหมือนกัน แต่ก็ได้กล่าวไว้าเนี่ยดังถาว่าถ้าเกิดอสัตว์ที่หาริกอันเตรวสิกนั้นมีการประพฤติไม่ดีไม่งามอาจจะเป็นเหตุให้เกิดความเสือเอ่อมเสียออย่างนี้ไม่มีใครให้นิสัยจะทําการเก็บวัดแล้วให้นิสัยก็ควรอยู่คือหมายคาว่าใช้คําว่าควรอยู่นี่คือในอัตตกถาเนี่ยและก็ไม่พึงมีสมเด็ีไว้อุปถานก็หมายถึงการ ่มีสัมเนีนไว้รับใช้นั่นเองนั้นการอยู่ประพฤติอุตถานุทิฏีนี่จะเอาสัมมณีนมาไว้อุปถากรับใช้นั้นก็ไม่ควรก็ยังก็ถือว่าการอุปถากก็คือสะดวกก็เกิดความสะดวกสบายการอยู่ปริวาสก็คือหรือการประพฤติวุฒานุทิฏีก็คือการประพฤติทรมานตนฉะนั้นท่านจึงห้ามไม่ให้มีสัมมณนมาไว้อุปถาและก็ให้พึงทราบว่าผู้ที่จะให้การอุปสมบทก็ดีให้นิสัยก็ดีมีสัมมณีนอุปถากก็ดีนั้น ตามพระวินัยก็จะต้องมีพรรษาพ้นสิบคือสิบพรรษาขึ้นไปจึงจะทำหน้าที่สามอย่างนี้ได้นั่นก็ข้อนี้ก็มุ่งหมายถึงพระเถระทั้งสิน้นและก็มีข้อห้ามอีกต่อมาก็คือว่าไม่พึงรับสมมติสอนหนังพิษุณีใปัจจุบันนี้ก็ข้อนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าพิษุณีกออ็ไม่มีแล้วนะพิษุีก็ได้อันตรานจากโลกนี้ไปแล้วทางนั้นไม่มีเหลืออยู่ ถึงจะอาจจะได้ยินว่ามีพิษุณีที่นั่นที่นี่ก็ให้พึงทราบว่าอันนั้นก็คงจะไม่ใช่เป็นพิษุณีที่แท้จริงเป็นพิษุนีปลอมเพราะว่าพิษุณีนั้นจะต้องบวชในสงสองฝ่ายตามหลักของครูธรรมแปดประการคือบวชในภิษุนีสงแล้วก็มาบวชในฝ่ายพิกสุพิษุสง์ทั้งสองฝ่ายปัจจุบันในพิกษุนีสงไม่มีมีแต่พิสุสง์อย่างเดียวฉะนั้นจึง ไม่สามารถที่จะบวชเป็นพิษุนีได้ก็จะบวชได้ก็เป็นเพียงแค่ชีหรืออุบาสิกาเท่านั้นเองไม่เรียกว่าพิษุนีพินะษุนีจะต้องนุ่งเหลืองขมเหลืองมีศีลสามร้อยสิบเอ็ดมากกว่าพิสุยไปนั่นก็ในหมวดที่มีเกี่ยวกับวัดมานัสตะจาริกาพิสุก็ให้เข้าใจอย่างนี้นะครับก็เวลาของเราก็ได้สิ้นสุดยุติลงแล้วก็ เราจะได้ศึกษาต่อในโอกาสต่อไปสําหรับวันนี้ก็ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแด่เพื่อนสาธมิกทุกๆ ท, ท่านเชิญสวัสดีครับเพื่อนสาธมิกพี่กําลังศึกษานักธรรมชั้นเอกทุกๆ ท, ท่านวันนี้เราก็มาศึกษาเกี่ยวกับพระวินัยต่อในคราวที่แล้วเราได้ศึกษา อ, อในเรื่อง มานัตตาจาริกวัตคือวัดของภิกษุผู้ประพฤติมานั้นอต้องประพฤติให้ครบถ้วนบริบูรณ์โดยชอบทานละเมิดอในบาลีท่านไม่ได้ปราบอาบัดไว้คือในประไตรปิฎกก็ไม่ได้ปราบวบัดไว้แต่ว่าในพระตักกถาจาร์ท่านก็ได้ปราบอาบัดทุกกฎแก่ภิกษุผู้ละเมิดฐานละเลยวัดเตียกกนนวัดตเภน่ะก็แบ่งไว้เป็นสิบหมวดในอัตตกถา หมวดที่หนึ่งก็คือไม่พึงให้อุปสมบทไม่พึงให้นิสัยไม่พึงมีสำมานิยไว้อุปถาคไม่พึงรับสมมติสอนนางพิกษุนีแม้ได้รับสมมติแล้วก็ไม่พึงสอนนางพิษุณีทีนี้หมวดที่สองก็เรล่าว่าสงให้มานัดเพื่ออบัดอดันใดไม่พึงต้องอบัดนั้นหรืออบัดอื่นเช่นกันหรืออบัดอันเลวทรางกว่านั้น ในหมวดนี้ก็พึงถามของเข้าใจว่าคําว่าสงให้มานัดเพื่ออบัตใดไม่พึงต้องอบัตนั้นสงให้มานัดก็เพื่ออบัตสังคติเศสนี่ก็ไม่พึงต้องอบัตสังคติเสตนั้นในข้อนั้นตรื อ, อบัตอื่นเช่นกันคําว่าอาบัตอื่นเช่นกันในที่นี้อธิบายในอัตถกถาว่าได้แก่อบัตสังคธิเสษเหมือนกันแต่คนละข้อ เช่นต้องอาบัตสังฆาฏิเศษสิกขาบทที่หนึ่งแล้วก็ไปขอให้สง อ, อให้ปริวาสหรือให้มานัดเพื่ออาบัตสังฆาฏิเศษข้อที่หนึ่งก็ไม่พึงต้องอาบ well ัตสังฆาฏิเศษข้อนั้นซ้ําอีกหรืออาบัตสังฆาฏิเศษข้ออื่นข้อสองข้อสามข้อสี่หรือข้ออื่นต่อไปเรียกว่าอาบัตอื่นเช่นกันคืออาบัตสังฆาฏิเศษข้ออื่นก็ไม่พึงต้องหรืออาบัตอันเลวซ้ำกว่านั้น ว่าอาบัตอันเลวซ้ำกว่านั้นหมายถึงอาบัตอะไรในอัตฉริยจาร์นั้นท่านได้กล่าวความเลวของอาบัตไว้เป็นลําดับดังนี้อาบัตทุกกฎเลวซ้ำกว่าอาบัตทุกพาสิทอาบัตปาริเทศนิยะเลวซ้ำกว่าอาบัตทุกกฎอาบัตปาจิตตีเลวซ้ำกว่าอาบัตปาริเทศนิยะอาบัตบุรจใจเลวซ้ำกว่าอาบัตปาริจิตี อาบัตสังฆาธิเศษเล็วซ้ำกว่าอาบัตตุลใจอาบัตปาราชิกเล็วซาำกว่าอาบัตสังฆาธิเศษนั้นคําว่าเร็วซ้ำกว่านั้นก็หมายถึงอาบัตปาราชิกเล็วซาำกว่าอาบัตสังฆาธิเสษก็ไม่พึงต้องในข้อนี้นอในหมวดที่สามว่าไม่พึงติกรรมนั้นไม่พึงติภิกษุทั้งหลายผู้ทํากรรมนั้นไม่พึงห้ามอุโบสถไม่พึงห้ามปวารณาแกปักกตตาภิกษุ ไม่พึงทำความมีคำไม่พึงเริ่มอนุวธาทานที่ก่อนไม่พึงยังภิกษุอื่นให้ทำโอกาสเพื่อโจทย์เธอไม่พึงโจทย์ภิกษุอื่นไม่พึงยังภิกษุอื่นให้ให้การและไม่พึงช่วยภิกษุทั้งหลายให้สู้กันในอธิกรารข้อนี้ก็มีข้อที่จะพึงทำความเข้าใจตามสมควรดังนี้ คาว่าไม่พึงติกรรมนั้นก็คือกรรมเกี่ยวกับการทําเ อ, อกรรมเพื่อให้อุทานรวิธีจะให้ปริวาให้มนัตหรือให้ปฏิกัตนาก็ตามอ่าพิสุผู้ถูกทํากรรมจะไปกล่าวติกรรมอย่างนั้นอย่างนี้ว่าเป็นกสิกรรมหรือเป็นโครักกรรมอะไรก็ตามจะไปติกรรมเช่นนั้นท่านห้าแม้จะไปติพิกสุทั้งหลายผู้ทํากรรมก็ ห้ามไม่ให้ติเหมือนกันเพราะว่าสิทธิในอันนี้ท่านห้ามไม่ให้ถือสิทธิแห่งการเป็นประกตาตาภิกษุนั้นก็จะปติปิสุทั้งผู้ทํากรรมนั้นว่าเป็นพิสุเช่นนั้นเป็นพิสุเช่นนี้ก็ทำไม่ได้แล้วก็ไม่พึงห้ามโบสถไม่พึงห้ามวาณนาพิสุที่อยู่ประพฤติพุทธานวิธีเนี่ยจะไปห้ามโบสถห้ามวรณนาแก่พิสุปกตินั้นไม่ได้ไม่ให้สิทธิในการที่จะห้ามเช่นนั้น แต่ถ้าพิสูจเป็นปกติด้วยกันจะห้ามบูชดห้ามบวารณาได้ว่าเห็นว่าพิสูจนั้นไม่บริสุทธิ์หรือเห็นว่าพิสูจน์นั้นไม่ดีไม่ควรในการที่จะทํำบูสดชังกกรรมก็กล่าวห้ามได้เหมือนกันอแต่ว่าถ้าพิสูจนั้นเป็นผู้ประพฤติอู้านวุฒิธีแล้วก็จะมาทําเช่นนั้นไม่ได้อาไม่พึงทาความมีคําก็คื อ, อะจะกล่าวโต้แย้งจะคัดค้านอันใดอันหนึ่งแก่พิสูจ ป, ปกติไม่ได้ คือไม่ให้สิทธิในการที่จะกล่าวแยง้งกล่าวคัดค้านหรือแสดงความไม่พอใจอย่างใดอย่างห น, นึ่งเนี่เหมือนกับพิสุที่เป็นปกติคือไม่ให้สิทธิดังนั้นที่ได้กล่าวแล้วนั่นเองไม่พึงเริ่มมนุวาตาที่ก่อนก็คือเริ่มในการที่จะโจทย์พิสุอื่นไม่พึงอย่างพิสุอื่นให้ทําโอกาสก็หมายความว่าไม่พึงให้พิสุอื่นทําโอกาสเพื่อจะโจทย์นั่นเองนะเพื่อจะโจทย์พิสุนั้น ไม่พึงโจดพิสูุอื่นจะไปฟ้องร้องกล่าวหาอพิสูจน์อื่นนั่นก็ไม่ให้สิทธิในอันที่จะฟ้องร้องใครเพราะตนเองก็ถูกสงฆ์ทำกรรมอยู่แล้วไม่พึงยังพิสูุอื่นให้ให้การก็คือไม่พึงทําการไต่สวนพิสูจนอื่นนั่นเองไม่พึงช่วยพิสูจ์ต่อพิสูจน์ทั้งหลายให้สู้กันในเรื่องของอาติก่อจะไปช่วยเขาก็ไม่ได้นี่คือหมวดที่สามหมวดที่สี่ไม่พึงไปข้างหน้า ไม่พึงนั่งข้างหน้าแห่งปะการตาภิกษุพึงพอใจด้วยอาสนะสุดท้ายด้วยที่นอนสุดท้ายด้วยวิหารคือกุฏิสุดท้ายคือเป็นของเรียงแจกให้ที่หลังข้อนี้ก็หมายความว่าภิกษุที่ประพฤติอุทานวิธีนั้นจะเดินข้างหน้าภิกษุปกติก็ไม่ได้จะนำหน้ามาจึงเดินนำหน้าหรือจะไปข้างหน้าก็ไม่ได้ เน่ยจะนั่งข้างหน้าจะเดินข้างหน้าพิสูจปกตินั้นไม่สมควรเน่ให้พอใจอาสนะสุดท้ายที่นอนสุดท้ายเนีข้อนี้ในอัตถกถาอาจารย์ท่านได้แสดงว่ า, าจะนั่งในลำดับแห่งพิสษุปกตินวกะสุดท้ายนวกะที่เป็นพิสษุปกติได้เนี่ยแลวก็เป็นหัวหน้าสมณีนได้ เนี่ยฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับการถือโดยลำดับพรรษาในข้อนี้จึงไม่มีได้ ว, ว่าพิสูจน์ที่อยู่ประพฤติอุทฐานนวีธีไหนจะพรรษามากมายแค่ไหนก็แล้วแต่เมื่อมาประพฤติอุฐานนวิธีแล้วก็จะต้องอประพฤติถ่อมตนอ่อนน้อมถ่อมตนละที่สิมานะไปอยู่ปลายแถวของพิสูุ์ปกติแม้จะเป็นนวักกะเพิ่งบวชก็ตาม นะไม่ให้นั่งข้างหน้าไม่ให้ไปข้างหน้าตามปกติแล้วเ อ, อหมายความว่าในขณะที่ไม่ได้ประพฤติอุฒานวิธีเนี่ย <S <S พิสูจผู้มีปรรษามากกว่าต้องเดินข้างหน้าและก็ต้องนั่งข้างหน้านะไม่ไม่นับยศถาบรรดาศักดิก์ที่ตั้งขึ้นในปัจจุบันแต่น้ำเอาปรญษ า, ามีปรญษามากต้องนั่งข้างหน้าเป็นลำดับมาแต่ถ้าอยู่ประพฤติอุถา น, านวิธีแล้วจะไปนั่งเช่นนั้นไม่ได้ถ้าพิสูจน์มากปัญษากว่าเนี่ยเข้าประพฤติอุฒานวิธี ก็จะต้องลดมาอยู่ท้ายแถวของพิสูจปกติที่เป็นนวาวิกานั่นคือวิธีการปฏิบัตินะก็ไม่ให้ถือโดยลำดับพันษานั่นเองจะเป็นเอ่อและก็ยินดีของที่เร็วๆของที่แจกให้ที่หลังนะต่กันมฐาท่านได้อธิบายว่าของเร็วๆในทีน่นี้แม้อาสนะอา่าจะเป็นอ่ที่นั่งที่นอนแจกให้นั้นกระกลังก็ด้วยมูลข้างข่าว ต่างๆให้ไปปัดให้ไปกวาดให้ไปอยู่เอาให้ยินดีของเร็วเช่นนั้นเนี่ยจึงจะถูกต้องกับการคําว่าประพฤต์ทรมานตนเอาต่อไปหมวดที่ห้าไม่พึงมีปกตาภิสุกเป็นปุเรกสัมมณะคือนําหน้าหรือเป็นปัจฉาส ม, มณะคือตามหลังขับไปสู่สกุลไม่พึงสมาทานอารัญจิกะทุดดงไม่พึงสมาทานปินตปาทิกะทุดดง และไม่พึงให้เขา น, นำบินธบามาส่งเพราะปัจจัยนั้นด้วยคิดว่าเขาอย่ารู้เราข้อนี้ก็หมายก่อนว่ า, าพิสุที่กำลังประพฤติอุทฐานวิธีคือตอนอยู่ปายมานัสก็ดีตอนอยู่ปริวาดก็ดีเนี่ยจะไปสู่สกุลก็ไม่พึงมีพิสุ ป, ปกติเป็นโปรเรกนะัสมมณะคือนำหน้าจะไปสู่สกุลคำว่าสู่สกุลในที่นี้หมายถึงสกุลอุปถาของตนหรือที่รับนิมนต์ ถ้ารับนิมนต์หรือไปสู่สกุลอุปถากนั้นจะพาภิกษุปกติไปด้วยแล้วให้ภิกษุปกตินำหน้าหรือตามหลังนี้ท่านห้ามในในในหมวดนี้ทำไมจึงห้ามไม่ให้เอาภิกษุปกตินำหน้าตามหลังเมื่อเข้าไปสู่สกุลข้อนี้ท่านบอกว่าไม่ให้เชิดตัวเพราะคนที่มีผู้อารักขาทั้งข้างหน้าข้างหลังแสดงว่าผู้อยู่กลางต้องต้องเป็นผู้ยิ่งใหญ่นั้นเพื่อไม่ให้เชิดตัวดังนั้นแหละ ท่านจึงห้ามไว้ในขอน้อนี้แต่ถ้าไปสู่ที่อื่นซึ่งไม่ใช่ไปสู่สกุลนั้นก็จะต้องมีพิสูจ์ปกตินําหน้าได้ไม่เป็นไรนี่ไม่พึงสมาทานอารัญจิกะทุดงคําว่าอารัญจิกาทุดงในที่นี้หมายถึงอยู่ป่าเป็นวัดอไปสมาทานอยู่ป่าเป็นวัดนี่ไม่ได้แต่ว่าเราจัดให้อยู่ในป่าได้แต่ก็ไม่พึงสมาทานเป็นทุดงือบางองค์อาจจะอยู่ไม่ มีความสงบก็คิดว่าอยากจะไปอยู่ในป่าซึ่งอันนั้นก็จะเป็นเหตุให้ไม่มีสงฆ์อยู่เป็นเพื่อนก็จะเป็นเหตุให้ขาดข้องในการที่จะรักษาวัดนั้นก็จะสมท า, านทุดดงเกี่ยวกับอรันจิกาทุดดงนั้นท่านห้ามในขอน้อนี้แต่ก็ไม่ห้ามเมื่อพิสูจน์นั้นเคยปฏิบัติมาก่อนแล้วข้อนั้นอ้าอันนั้นท่านไม่ห้ามห้ามเฉพาะพิสูนที่ยังไม่เคยสมาถานอรันจิกาทุดดงนี้ แล้วก็ไม่พึงสมาทานบินทะบาติกะทูดงคือถือบินทบาทเป็นวัดการบินทบาทก็บินได้แต่จงไปสมาทานขึ้นเป็นวัดว่าจะสมาทานบินทบาทเป็นวัดไม่รับเ อ, อการแจกหรือไม่รับการนิมนต์อื่นนั้นไม่ได้เพราะได้กล่าวแล้วว่าต้อง อ, อยินดีในของเลวแจกให้ที่หลังนั่นก็จะไปสมาทานบินทบาทเป็นวัดนั้นก็ไม่ได้เหมือนกันและก็ ในข้อนี้ก็ไม่ห้ามสําหรับพิสูจ์ที่เคยสมาทานมาก่อนก่อนที่จะมาอยู่ประพฤติอุทานวิธีเคยสมาทานมาแล้วอันนั้นไม่ห้ามห้ามเฉพาะที่เ อ, อยังไม่เคยสมาทานแล้วก็ อ, อวักต่อไปก็บอกว่าไม่พึงให้เขานำลิทธบาทมาส่งเพราะปัจจัยนั้นด้วยคิดว่าเขาอย่ารู้เราก็หมายความว่าจะไปให้ใครอวหารมาส่งส่วนตัวโดยเฉพาะนั้นก็ไม่ได้ เนไปประพฤติอุฒานวิธีอยู่ปริวาสกรรมเนี่ยแลยวไปบอกโยมคนนั้นเอาอาหารมาส่งบอกโยมคนนี้เอาอาหารมาส่งเ อ, อเฉพาะอย่างนี้ไม่ได้ผิดวัดอีกนั้นก็เรื่องนี้ต้องระมัดระวังในการประพฤติอุฒานวิธีก็อยู่ให้เกิดความบริสุทธิ์จริงๆและก็ยู่ไปให้ถูกต้องตามพระวินัยนะต่อไปก็ข้อหกเป็นอาการตรกกะไปสู่อาวาัตอื่นเพิ่งบอก คือเอบอกนะบอกถึงการที่ตนประพฤติมานั้นมีอาการตกกะมาก็พึงบอกพึงบอกในโมโซตพึงบอกในประวัตินานะถ้าอะไรก็พึงบอกทุกวันด้วยถ้าพลาดก็ส่งทูตไปบอกข้อนี้หมายความว่าไปสู่ที่อวัดอื่นหรือมีอาคารตกกะมาสู่เราก็ต้องบอกนะต้องบอกในการที่กําลังประพฤติอยู่เทมกาลังประพฤติมาั้ก็ต้องบอกเรื่องมานั้นถ้ากําลังประพฤติบริวัต ก็ต้องบอกปริวา่าแต่มนักต้องบอกทุกวันนะเมียคันตกะมาก็ต้องบอกทุกวันเลยแม้อาพาธหมายถึงป่วยแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปบอกด้วยตนเองได้ก็ส่งทูตคือส่งพิสูรรูปใดรูปหนึ่งไปบอกแผนก็ได้นั้นเรื่องบอกวัดนี่ได้กล่าวในเรื่องของรติเฉดแล้วว่าอถ้าไม่บอกอย่างไรก็เป็นเหตุนั่นคือรติเฉดอย่างไดได้กล่าวไว้แล้วนะก็ไม่จําเป็นจะต้องกล่าวซ้ำอีก ถ้าต่อไปข้อหมดที่เจ็ดไม่พึงออกจากอาวาสหรือถิ่นที่ไม่ใช่อาวาสอันมีภิกษุไปสู่อาวาสหรือถิ่นที่ไม่ใช่อาวาสอันหาภิกษุไม่ได้หรือมีภิกษุแต่เป็นนาน า, นาสังวาสเว้นไว้แต่ไปกับสงเว้นแต่มีอันตรายพึงไปได้เฉพาะอาวาสหรือถิ่นที่ไม่ใช่อาวาสอันมีภิกษุที่เป็นสมานสังวาสและก็รู้ว่า อาจจะไปถึงในวันนั้นข้อนี้ก็เอเป็นการห้ามไม่ให้ออกจากอาวาสที่มีพิสุหรือทินที่ไม่ใหอาวาสที่มีพิสุไปสู่อาวาสหรือถินเชาอาวาสที่หาพิสุไม่ได้เพราะว่าถิ่นที่ไม่มีพิสุนั้นเราไปอย่างนั้นก็จะเป็นเหตุให้การอประพฤติปฏิบัตินั้นไม่สมบูรณ์นับเป็นรติเฉดได้นั้นก็ไม่ควรไปในที่เช่นนั้น เอหรือว่าจะไปได้ในสถานที่จะไปได้นั้นจะต้องเอมีกรณีพิเศษนะถ้าหากว่าเกิดอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยให้ไปได้หรือว่าไปกับสงฆ์นี่ไปได้มีสงฆ์ไปด้วยแล้วก็ไปได้นะี่ยถ้าหากว่าไปสู่อาวาสที่มีพิสูุแต่พิสูจนนั้นเป็นนานาสังวา ก็ไม่ควรไปคําว่านานาสังวาสก็คือมีสังวาสต่างกันเป็นพวกที่ไม่ร่วมบูชไม่ร่วมสังฆกรรมด้วยกันก็เรียกว่า น, นานาสังวาสเป็นวิสภาคกันแยกกันไม่ร่วมบูชดสังฆกรรมชื่อว่า น, นานาสังวาสในที่นี้นะแล้วก็ถ้ามีอันตรายถ้ามีอันตรายก็ไปได้หมายก็ว่าไปถิ่นอื่นเนี่ยถ้ามีอันตรายเกิดขึ้น คำอันตรายในที่นี้หมายถึงอันตรายที่ท่านกล่าวไว้ในกันที่สิบเจ็ดเรื่องของอุโบสถอันตรายเกี่ยวกับอุโบสถซึ่งเราได้ศึกษาในหลักสูตรของนักธรรมชั้นโทมาแล้วอผมกล่าวเป็นคําย่อว่าราโจนไฟน้ําคนผีสัตว์งูอ่านนา ร, นะราโจนไฟน้ําคนผีสัตว์งูอา่านถ้ามีอันตรายสิบอย่างเกิดขึ้นแล้วเอแม้แต่การอทําอุโบสถในขณะที่ทาอุโบสถนั้นเกิดอันตรายเกิดขึ้นก็ให้ส่วนย่อดได้ ให้สวยดย่อได้หรืออันตรายอย่างนั้นเกิดขึ้นแก่การอาอยู่ประพฤต์อาอยุจำพรรษาก็ให้ไปได้นะพรรษาขาดแต่ไมาเป็นอบัติแม้แต่ในการประพฤติวุฒานวิธีถ้าเกิดอันตรายอย่างนั้นเกิดขึ้นนะจะออกจากสถานที่ไปก็ได้นะออกสถานที่ไปก็ได้ถ้ามีอันตรายสิบอย่างราโจนไฟน้ําคนผีสักงวัวอันก็ไปดูเอาในการที่สิบเจ็ดก็แล้วกันคําว่าราหมายถึงราชา สเสด็จมาโจรก็หมาย้องโจรมาล้นไฟก็หมายถึงเกิดไฟไหมอย่างเงี้อันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นนะก็ให้ไปได้หรือไปถ้าจะไปก็ให้ไปสู่สถานที่วัดก็ดีอาวาสก็ดีที่นี้ไม่ใช่าวาสก็ดีที่มีภิกษุซึ่งเป็นสมานสังวาสก็คือภิกษุที่สามารถอทําบสุสังฆกรรมร่วมกันได้ก็คือภิกษุที่เป็นสมานสังวาสซึ่งกันและกันนั่นเอง นก็รู้ว่าจะไปถึงในวันนั้นก็ไปในสถานที่นั้นต่อไปข้ออหมวดที่แปดไม่พึงอยู่ในที่มุ่งอันเดียวกันในอาวาสก็ดีในทินที่ไม่ใช่อาวาสก็ดีกลับด้วยกับปกจจุบภิกษุเอข้อนี้ก็หมายความว่าภิกษุที่ประพฤติวุฒานวิธีเนี่ยจะไปอยู่ในที่มุ่งอันเดียวกันในวัดในอาวาสก็ดีในทิ่นที่ไม่อาวาสก็ดี นะในที่มูงอันเดียวกันนั้นไม่ได้และก็ได้กล่าวไปแล้วในเรื่องของสหวาโสถ้าอยู่ร่วมในที่เช่นนั้นเนี่ยอยู่ร่วมตลอดทั้งคืนโดยอิริยาบถไม่ใช่นอนก็ห้ามถ้าหากว่าอิริยาบถนอนก็นห้ามเด็ดขาดนะห้ามเด็ดขาดซึ่งเราเนี่ยอะไรกัถามว่าภิกษุนะปกตะแม้บวชในวันนั้นนะ นอนอยู่ก่อนภิกษุปริวาสิกะหรือมณตาจาริกะรู้อยู่นะมีภาษาหกสิบเลยรู้อยู่ว่าปกติภิกษุมีภาษาพึทบุตที่วันนอนอยู่ก่อนเข้าไปนอนด้วยกันนะเข้าไปนอนด้วยกันภิกษุผู้เป็นปริวาสิกะหรือมณตาจาริกะนั้นย่อมขาดตราตรีด้วยเป็นอวัตตโกดประวัตเพศนั้นด้วยเพียงแต่บอกว่าเข้าไปนอนเท่านั้นเองในอัตถิคถาไม่ได้บอกว่านอนตลอดแจ้งหรือจนรุ่งสว่าง เพียงแตเข้าไปนอนร่วมกั น, กนเท่านั้นเองฉะนั้นนอนร่วมกันนั้นจึงเป็นอันว่าไม่ได้เลยในการพระพุทธอุทานวิธีพึงเข้าใจอย่างนี้ฉะนั้นก็เ อ, อพึงระมัดระวังถ้าหากว่าอาการพระพุทธอุทานวิธีนั้น อ, อยังไม่สิ้นสุดจุติลงแล้วเราก็ต้องระมัดระวังในการเข้าไปอยู่ในที่ม่อันเดียวกันไม่เข้าไปเลยนั้นเป็นการดีที่สุดนต่อไปหมวดที่เก้าเห็นปะกตะพิสุเข้าแล้ว พึงลุกจากอาสนะพึงเชิญให้นั่งไม่พึงนั่งอาสนะเดียวกันกับปักอตตาพิสุขเมื่อเธอนั่งอาสนะต่ำไม่พึงนั่งอาสนะสูงเมื่อเธอนั่งณพื้นดินไม่พึงนั่งณอาสนะไม่พึงจงกรมในที่จงกรมอันเดียวกันกับปกอตตาพิษุเมื่อเธอจงกรมในที่จงกรมต่ำไม่พึงจงกรมในที่จงกรมสูงเมื่อเธอจงกรมณพื้นดินไม่พึงจงกรมในที่จงกรมข้อนี้ก็หมายความว่า ภิกษุผู้ประพฤติวุฒานวิธีอยู่นั้นเนี่ยเห็นปักกาตาภิกษุมาแล้วก็พึงลุกจากอาสนะปูอาสนะแล้วเชิญให้นั่งในเชิญให้นั่งในอัตถกาถาท่านอธิบายในข้อนี้ว่าภิกษุเ อ, อผู้ประพฤติอุฒานวิธีน 60, พันสาหกสิบและก็ภิกษุเ อ, อที่เป็นปักกาตานั้นพึงบวชคือบวชในวันนั้นเนี่ย เมื่อเห็นท่านมาหาแล้วพึ่งลุกจากอาสนะปูอาสนะแล้วก็นิมนต์ท่านให้นั่งวาวานิมนต์ครับท่านอาจารย์เนี่ยท่านพูดถึงขนาดนั้นเลยให้อ่อนน้อมถ่อมตนต่อภิกษุที่เป็นปกติ่งพึ่งบวชในวันนั้นเรียกว่าอาจารย์นิมนต์ท่านอาจารย์นั่งเนี่ยก็ให้ละทิฏฐิมานะนั่นเองเนี่ยนีย่เมื่อนิมนต์ให้นั่งแล้วก็อย่าไปนั่งอาสนะเดียวกันกับท่านไม่ได้นะเมื่อ พิสุปกตินั่งอาสนะอ่านั่งอาสนะต่ำก็ไม่พึงนั่งอาสนะสูงกว่าท่านหรือถ้าท่านนั่งบนพื้นดินก็ไม่พึงนั่งบนอาสนะไม่พึงจงกรมในที่จงกรมอันเดียวกันนะเมื่อท่านจงกรมในที่จงกรมต่ำก็เราก็ไม่จงกรมในที่จงกรมสูงนะหรือว่าเมื่อท่านจงกรมณพื้นดินเราก็ไม่พึงจงกรมในที่จงกรม อันนี้อาจจะฟังยากหน่อยคำว่าไม่พึงจงกรมในที่จงกรมอันเดียวกันหรือไม่พึงจงกรมในที่จงกรมนั้นท่านมุ่งหมายเอาการจงกรมระยะใกล้กันเนี่ยใกล้กันไม่ถึงสิบสองศอกในถือว่าเป็นที่อันเดียวกันจะเดินจงกรมใกล้ๆ ก, ก, กันเนี่ยสักสองว่าหรือว่าใกล้กว่านั้นเนี่ยถือว่านั่นคือจงกรมในที่จงกรมอันเดียวกันผิดวัดข้อนี้ ถ้าหากว่าห่างกันระยะไกลออกไปถึง12ศอกแล้วชื่อว่าโอกาสโนนซึ่งไม่ใช่ที่อันเดียวกันนั้นได้ดังการจงกรมจะห่างออกไปถึง12ศอกแล้วก็นั่นแหละเป็นโอกาสอื่นแล้วไม่ถือว่าที่อันเดียวกันดังการเดินจงกรมก็ต้องระวังในการที่จะไม่ให้ผิดวัดข้อนี้12ศอกนั้นเป็นการถือตามในอัตถกถา เช่นในการอุปสมบทเนี่ยเมื่ อ, อ, อให้อุปสมบทาเบคะออกไปยืนทางนอกนอกขาธรบาตรสง่ง12ซอกก็กล่าวไว้12ซอกถือว่าโอกาสโ น, น้นนั้นก็พึงเข้าใจว่าถ้าหากว่า อ, อ, อยู่ในระยะใกล้ ก, ลกันไม่ถึง12ซอกนั้นคือที่อันเดียวกันต้องถ้าจะเดินจงกรมต้องให้ห่างออกไปกว่านั้นให้ห่างออกไปกว่านั้นและอธิบายในอัตถกคัถาก็ได้กล่าวถึงว่าถ้าหากว่าใกล้กว่านั้น มีกำแพงกัน้นนะมีกำแพงกัน้นอันนั้นได้เหมือนกันมีกำแพงกัน้นนะอยู่คนละคนละแหง่งคนละ้างกำแพงได้นี่ยต่อไปก็หมดที่สิบหมวดที่สิบนั้นก็คืออไม่พึงอยู่ในที่มู่งอันเดียวกันในอาวาสก็ดีในถิ่นเทียมใช่าอาวาสก็ดีกับภิกษุผู้อยู่ปริวาสกับภิกษุผู้ควรชักเข้าหาบาดเดิม ับพิสูจผู้ควรมานักับพิกษุผู้ประพฤติมานัดแก่กว่าับพิสูจผู้ควรอภานไม่พึงนั่งอาสนะเดียวกันถ้าเธอ n ั่งอาสนะต่ำไม่พึงนั่งอาสนะสูงเธอนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งกัมงนั่งนั่งกันเนี่งนันงนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนังกรมงนั่งนั่งนั่งนั่เธอจงกัมงนั่งนดินไั่งึงจงนัมในี่งกัม อันนี้ก็พูดถึงการอยู่ในที่มุงเดียวกันกับวิสุผู้ประพฤติอุตฐา น, นวิธีก็ห้ามที่มุงที่บังอที่มุงเหมือนกันนะก็จะอยู่ร่วมกันในที่มุงจนตลอดไม่ได้อาบางแห่งที่จัดให้มีการอยู่นั้นก็อาอย่พอใกล้จะได้รุน่นก็ออกไปรับปรุณคขังทางอื่นอันนี้หมายถึงอิริยาบถนั่งไม่ใช่อิริยาบถนอนการอยู่ในที่มุงนั้นอิริยาบถนอนก็ห้ามเด็ดขาดเหมือนกันในอัตตกถาดังนั้นก็ เออให้เข้าใจว่าอะไรการอยู่ในที่มุนเดียวกันนั้นถ้าอยู่ในอิิยาบทนอนและห้ามเ ด, ดขาดนะห้ามเด็ดขาผิดวัดในอัจฉริยะนังกล่าวไว้นั้นก็จะอยู่ในที่มุมเดียวกันกับภิกษุผู้ประพฤติอุฒิฐานวิธีด้วยกันนั้นเ อ, อไม่ควรนะไม่ควรและก็เมื่อภิกษุผู้เอประพฤติอุฒิฐานวิธีซึ่งมีภาษาแก่กว่านั่งอาสนะเดียวกันกับ กับวิสุภูอ่อนกว่าไม่ได้วิสุอ่อนกว่านั้นไม่ควรไปนั่งถ้าไปนั่งก็เปล่าอวบัติแก่วิสุผู้อ่อนกว่าหรือว่าถ้าท่านนั่งวิสุภูประพุทธพุทธานุทีแก่ภาษากว่านั่งตำ่ำก็ไม่ควรที่จะนั่งสูงกว่านะหรือว่าเดินจงกรมก็ไม่พึงเดินจงกรมในที่อันเดียวกันต้องแยกห่างออกไปให้ห่างออกไปเนี่ย เติม12สอกไปและการนั้นคือว่าในที่อื่นซึ่งไม่ใช่ที่อันเดียวกันสรุปใจความแห่งวัดทั้ง10ประการวัดทั้ง10ประการที่ได้กล่าววันนั้นพอสรุปได้ว่าดังนี้คือหมวดที่หนึ่งเนี่ยที่ว่าห้ามไม่ให้อุปสมบทห้ามไม่ให้นิสัยห้ามไม่ห้ามไม่ให้มีสําเนินอุปถากหรือห้ามไม่ให้สมมติสอนนางพิษุนีหรือสมมติแล้วก็ไม่พึงสอนนั้นใจความก็คือว่าห้ามไม่ให้ทําหน้าที่ของพระเทระ นะัเป็นหน้าที่ของพระเทเรซนี้เมื่ออยู่ปริวาติแล้วพระเทระก็จะทําหน้าที่ของพระเทระอย่างนั้นไม่ได้ข้อสองคือหมวดที่สองที่กล่าวว่าสงให้มานัดเพื่อบัตรอันใดก็ไม่พึงต้องอบัตรอันนั้นหรือบัตรอื่นเช่นกันหรืออบัตรอันดิษังกว่านั้นข้อนี้ใจความก็คือให้ตั้งอยู่ด้วยความระมัดระวงังหมวดที่สามที่กล่าวว่าไม่พึงติกรรมไม่พึงติวิสุทั้งหลายผู้ทํากรรม ไม่พึงห้ามบวชสอนในพึงห้ามประวรณาแก่ปักกตาพิสุเป็นต้นเนี่ยใจความก็คือห้ามไม่ให้ถือสิทธิแห่งการเป็นปักกตาพิสุนะครับทั้งสามหมวดนี้ในบาลีคือในพระไตรปิฎกก็รวมเป็นหมวดเดียวกั น, นไว้หมวดเดียวกันต่อไปหมวดที่สี่โดยสรุปหมวดที่สี่อซึ่งกล่าวว่าอไม่พึงไปข้างหน้าหรือนั่งข้างหน้าปักกตาพิสุ พึงพอใจอาสนะสุดท้ายที่นอนสุดท้ายวิหารสุดท้ายเป็นของเล่แจกทีหลังใจความในข้อ น, นี้ก็คือไม่ให้สิทธิในอันจะพึงถือโดยลำดับพรรษานี่คือใจความมวดทีห้าซึ่งได้กล่าวไว้ว่าไม่พึงมีพิสูจน ป, ปกติเป็นโปรเรแลกสำนนะหรือเป็นปัจฉาสำนนะนะไปเข้าไปสูส่สกุลนี่ไม่พึงสมัครทานอรัญจีกะตุ้นดง ไม่พึงสมาทานอ่าปินทถาติกาทุดองอ่าเป็นต้นเน่ยโดยใจความก็คือว่าห้ามไม่ให้เชิดตัวและให้ระวังเพื่อเป็นอย่างนั้นคือไม่ให้เชิดตัวโดยใจความก็ไม่ให้เชิดตัวมวดที่หกนะที่ว่าเป็นอาการตกไปสัววาดอื่นหรือมีอกานตก伽มาก็พึงบอกในการที่ตกําลังประพฤติอยู่นะพึงบอกทุกวันถ้าพลาดส่งทูตไปบอก คือบอกในบทสดในบุวารณาใจความก็คือให้บอกไปจารย์ตัวข้อนี้อหมวดที่เจ็ดที่ว่าไม่พึงออกจากอาวาสหรือถิ่นเชี่ยววาดไปสู่ที่มีพิสูจน์เนี่ยไปสู่อาวาสหรือถิ่นเี่ยววาดที่ไม่มีพิสูจนะหรือมีแต่ว่าเป็นนานาสังวาเอข้อนี้ก็ใจความก็คือว่าห้ามให้ประวักคืออยู่ปราจากสงนะขอ้อเออยู่ปราจากสงในท่านห้ามข้อนี้นะเกี่ยวกับเรื่องนี้ ท้งหมดที่เจ็ดนี้ในบาลีท่านแยกออกนัแยกออกเป็นสามคือห้ามไม่ให้อยู่ในถิ่นที่หาพิสูจน์ไม่ได้มีพิสูจน์แต่เป็นนานานสังวาสและก็ให้ไปเฉพาะถิ่นที่มีพิสูจน์ที่เป็นสม า, น, า, น, านสังวาสเนียต่อไปหมวดที่แปดหมวดที่แปดนั้นท่านห้ามไม่ให้อยู่ในที่มุงอันเดียวกันกับพิสูุปกติในอาวาจกรีในสินเชียวอันที่ไม่ใช่าวาสก็ดีโดยใจความก็คือว่า ให้ห้ามสมโภคกับวิสุปกตินะข้อนี้เป็นตติเฉตด้วยถ้าอยู่นะไม่ให้สมโภคกับวิสุปกติอมวดที่เก้าซึ่งได้กล่าวว่าเห็นตางาวิสุแล้วพึงลุกจากอาสนะพึงเชิญให้นั่งไม่พึงนั่งอาสนะเดียวกันอเป็นต้นนั้นใจความก็คือให้แสดงสามิญจีกรรมแก่ตาตาวิกษุก็มีห้ามสมโภธก็มีที่ห้ามสมโพธิกันเราไม่ให้นั่งอาสนะเดียวกันห้าไม่ให้นั่งอาสนะเดียวกันนะ ห้ามไม่ให้จงกรมในที่จงกรมมาเดียวกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องการห้ามสมโพธอต่อไปบทที่สิบบทที่สิบก็คือได้กล่าวถึงไม่ให้อยู่ในที่มุอมอันเดียวกันกับพิสูจนผู้ประพฤติวุธานุทิธีด้วยกันเนี่ยข้อ น, นี้ก็เอโดยใจความก็คือห้ามสมโพค ก, กับพิสูจนผู้ประพฤติวุธานุทิฏฐิด้วยกันและก็มีบางอย่างที่ แสดงสามิจกรรมแก่ภิกษุที่มีปัญษามากกว่าเมื่อมนตัตตจาริกาภิกษุประพฤติมนัต์ครบตามกําหนดแล้วเอได้ชื่อว่าอภานาระหแปลว่าผู้ควรแก่อภานก็พึงขออภานในสงวีสติวัตสงยังไม่อภานเพียงใดยังต้องประพฤติวัดอยู่อย่างนั้นเป็นแต่รติเฉดไม่ให้ผลคือไม่ทําให้ตาตีขาดไปเท่านั้นเองเนีย อันนี้กเ็เราได้ศึกษามาพอสมควรเวลาของเราก็ได้สิ้นสุดยุติลงแล้วก็โอกาสหน้าเราก็จะได้ศึกษาต่อสำหรับวันนี้ก็ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแดดเพื่อนสาธมิกทุกๆุกท่านเทิน